ได้พ้าหมอีกีมีไหมโอ้ยพ้าผมไม่พอซึองแต่มีพ่อเหลืองพอเหลืออยู่บางแต่ต้องโกนผมอยู่ด้วยกันเน๊ะเป็นเพศถ้ า, าไปนุ่งนี่เขาก็จะไล่เตะเอาและเนาะอ๋อนี่ไปหนมนไอ้บ้าเอ้ยเขาไม่ยอมถ้าโกนผมเขาก็าคไม่ว่าต้องลงทุนหน่อยนึง อังสะก็มีนะคนอังสะพรมมาถวายหลายตัวนี่ยอมจะเอาไหมเสื้อพรมนะเสื้อกักเนี่ยแขนเดียวเอาไปใส่ไปได้มันมีอยู่เนะี่ยเขาต้องไวจริจริงว่าจะไปถวายพระแต่พระก็หลายตัวเวลาเอาให้ที่ไรถอดทิ้งตัวเก่าใส่มิงมันเก่าถอดทิ้งกันเลยคือมันไม่ประหยัดนะนั่นประหยัดสิ่งของเครื่องใช้เนี่ย อาตมาก็ไม่พยายามที่จะใช้ผ้าใหม่อะไรมากมายเนยะอันเก่าๆก็ใช้ไปเพราะห่มได้ก็ห่มไป <c oughs> ่าโยมก็เอานั้นมาถวายเอานี้มาถวายแต่มันไม่รู้เป็นไงถ้าใช้จะมันละอายมาอยู่ที่นี่โยมเ็าเห็นรองเท้าลงตาดำเขาก็เลยไปซื้อมาให้ใหม่ ซื้อมาใหใหม่ก็อายใส่ที่วัดรองเท้าบาชาจะเยอะนะคนซื้อมาต่อยพวกหมอว่าลยแต่ไม่ได้ใส่ซาบทีมันยี่ห้อมันต่ำเนตะาใช้ดาวเทียมบาทาบาอะไรวม่ไมอยา่างถ้ามันใส่โก้นะถ้าลงตาโก้ระดับหนึ่งเนี่ยลูกน้องมันต้องโก้ระดับสองนะ พ้ะต่างหลายตั้งปวงเนี่ยเขายิ่งมีตังเขายิ่งซื้อสูงกว่าเราอีกนะและถ้าเราลดระดับไว้นี่เป็นการสอนคนไปในตัวอเรามักน้อยสันโดษขนาดนี้เขาจึงมันจึงคุมเขาอยู่ถ้าเราทําตัวไม่เป็นแบบอย่างเนี่ยโอ้เขาโก้กว่าเราอีกนะเพราะจิตของเขาเนี่ยมันยังไม่ปล่อยวางไม่เป็นถ้าปล่อยให้มันโชเนี่ยมันจะโชวเต็มที่เลย ถ้เาเจ้าวาดมีมือถือระดับนี้ลูกน้องมันจะมีหนักกว่ า, า น, นั่นแต่เรามีจีวอลรีวาวเนี่ยเขาจะมีจีวอลแรงเล่อ น, นันกับผ้าแบบธรรมดากาโลโ ก, ก้สวเนี่ยเขาก็จะไอ้ ย, อยลวงตาว่ะ เ, เขาจะมีความละอายคุ้ mm. คือการใช้ชีวิตเราต้องให้มันเป็นตัวอย่างกับคนอื่นสมัยหนึ่งคนเอาผ้าไปถวายพระพุทธเจ้า เดียวคนนั้นไปถวายคนนี้ไปถวายเอาไปถวายทีไรทีไรห้าร้อยชุดจริงจริงห้าร้อชุดคือเอาไปเยอะหน่อนะแต่สำนวนภาษาบาลีเขาจะบอกว่าห้าร้อยเอาไปเยอะๆเนี่ยเรียกว่าห้าร้อยคนทําไม่ดีก็เหมือนกันนะทำไม่ดีมากๆเขาเรียกว่าไอ้โจรห้าร้อยจริงๆก็คนเดียวนั่นแหละแต่มันชั่วระดับห้าร้อยความเข้มของความชั่วมันนะ พระเจ้าปสที่โกศลเลยถามว่าไอ้ขอเรียนถามหน่อยเถอดท่านพระอนุนไอ้ที่เอาผ้ามาถวายทุกวันทุกวันทุกวั น, วนเนี่ยคนนั้นก็มาถวายคนนี้มาถวายมาทําบุญเนี่ยแล้วพวกท่านได้ใช่ไหมแล้วท่านได้ใช้ไหมได้ใช้มันคุ้มค่าไหมมันทุกข์มันยากลําบากอย่างกระไรดีเนี่ยแต่ท่านก็นรับรับ อันนี้เป็นหลักเศรษฐกิจหลักเศรษฐศาสตร์ในพุทธศาสนานะฟังไว้นะพระนรินบอกว่าใช้จนหมดคุณค่าใช้จนหมดคุณค่าของผ้าอย่างเช่นผ้าที่มาถวายเราก็ใช้ใช้จนหมดคุณค่ามันถ้ามันเก่าลงไปล่ะถ้าผ้านี้มันเก่าก็ตัดมาเป็นผ้าสบง เป็นสมปงปุ๊บก็มาเป็นผ้ารองนั่งเพื่อใช้จนมันผุนี่แหละบางทีก็เอาไปเป็นอะไรเอาไปเป็นัมผ้าห่มสุดท้ายมันไม่มีอะไรแล้วถ้ามันผ้าห่มมันหมดสภาพเลยล่ะมันผุมันพังนะไปทําผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดเท้าวันนั่นล่ะพราเจ้าประเสริฐที่โกศลนีถามมาก เอาไปทําอะไรได้อีกเนี่ยพระเชตเทาถึงว่าพระเชตเทามันผุแล้วเนี่ยเอาไปขยําขยําไปสับสับสับสับสั บ, สบแล้วไปปนกับดินไปปนกับดินขยําเข้ากันดีๆแล้วไปฉาบทากุฏินะฮะเหมือนเขาทําบ้านดินน่ยทั้งทั้งอีเดียมเป็นอย่างนั้นเอาดินเอาขี้วัวขี้ควายผสมกับไม้ผสมกับเศษไม้เศษห ญ, ญ, ญา้า แล้วไปเปื้ปติดไว้ตามเป็นฟ้าผนังเลยอันนี้ก็เหมือนกันเอาผ้าจีวรผ้าอะไรที่ขัดๆเกินเกินสับๆมันพูดแล้วไปฉาบทากุติสวยไม่จะประเสียนึก่กุถูกโซ่สนเลยบอกว่าถ้างั้นพมถวายอีกนะเพราะว่าท่านบริหารดีมากการจัดการดีมากเอาสามารถดึงเอาคุณประโยชน์จากผ้านี่มาใช้ได้หมดครบทุกกระ บ, บวนวาม เป็ไม่มีอะไรเหลือเนะี่ยแต่ปัจจุบันนี้มันเหลือมากนะผ้าสบองจีวรนิยาโยมไปถวายในกรงเรียบในอะไรต่า ง, างนี่วัดหลวงตาก็กองค่อนข้างเยอะๆค น, นไปถวายบางทีก็สีไม่เหมือนกันเราก็ไม่อยากนุ่งถ้าสีมันได้เหมือนกันนั่นเราทั้งหลายก็เหมือนกันใช้มันเป็นประโยชน์วันทั้งเมื่อวานหลวงตาไปทร่านไปเห็นเสื้อสื้อยีนเสื้อนุ่นเสื้อนี่ก็ก็ร้อยห้าสิบบาท เสื้อมือสองเนี่ยก็ยังใหม่ๆยังดีอยู่เลยก็ซื้อไปนุ่งเถอะโยมนี่คตาสอนหลานสาวคนหนึ่งมาเรียนพยาบาลคงจบปีนี้มังตั้งแต่อยู่มสามมาเนี่ยมันใช้เสื้อสามตัวร้อยตลอดเวลาเลยตั้งแต่ปฏิบัติธรรมนะแต่เมื่อก่อนมันกว่านั่นเนะี่มันอยากได้อะไรเอาแพงๆนี่สาตัวร้อยสามตัวร้อย เรวซื้อมีนานน่ะตัวหนึ่งก็ใส่ประมาณเดือนนึงมันก็เบื่อแล้วมันสามตัวร้อยพอสมควรนะ่ะใส่เข้าไปเถอะมันอยู่ที่ความประพฤติทางกายนะั่นหรอกดีไม่ดีสวยงามไม่สวยงามถ้าเราไม่ปรุงแต่งกับมันเนี่ยเราไม่มีราคากับมันมันก็ไม่มีราคาเสื้อผ้าเนี่ยแล้วเราก็จะเริ่มมีเงินมีทองมีค่าใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นเนี่ยมันจะประหยัดขึ้นแน่ถ้าใช้ไม่เปลี่ยนเราก็ทุกนะ หาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะเมล่อามีงานสังคมเราอยากใช้ใจ่ายกับเขาเราก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะเราใช้ใจ่ายส่วนตัวเราก็ใช้ไม่เป็นเราไม่ประหยัดไปดูบ้านนอกดิเสื้อผ้านี่ขาดแล้วขาดอีกนะรงองเท้าเสื้อไปแจกเขาจะชอบแต่ว่าแจกเงินให้ไปซื้อเอาเนี่ยให้เงินสักร้อยหนึ่งไปซื้อเสื้อมันุ่งนะเขาเขาทนเราดีกว่าทนนุ่งมันขาดขาดนี่ดีกว่าเงินนี่เอาไปซื้ออยู่ซื้อกินใช้ประโยชน์มัน ร้อยบาทนี่แต่เราก็เออถ้างั้นไม่ไหวก็ต้องให้เสื้อไปเลยเอาเสื้อบ้างให้เพราะเขาจะนุ่มไปเลยแต่ถ้าให้ตังนี่ยี่สิบาทสามสิบาทเขาก็ไม่มีทางไปซื้อขาดยังไงเขาก็ทนเราเพราะมันหา ย, ยากเงินทองเขาคือเขาใช้จนหมดคุณค่ามันจริงๆนะเสื้อผ้าก็หมดคุณค่าของเราเนี่ยอยู่ในเมืองมีตังหน่อยเสื้อผ้าชุดหนึ่งก็ยังไม่ ย, ไมยังไม่เก่าเลยอ่ะของเขานี่ตรงคอบน้จนขาดไปหมดแนละ้ว ต้องเอามาเย็บอะไรใส่เขาเพิ่มเขาไปอีกนะเวลาซักมันขาดไปหมดอ่ะพอเราใช้ห้าวันหรือสองวันถอดทิ้งเปลี่ยนไม้เปลี่ยนหมอยืดเรื่อยๆนั้นประหยัดหน่อยวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม่ได้ประหยัดเพื่ออะไรแตร่เพื่อตัวเราเองนั่นแหละพอเรามีปุ๊บเนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาในการแสวงหา ปรยัดร่างกายสังขารในทุกทีต่ต้องเอาไปลงทุนทำก็ ม, มีพออยู่พอใช้เขาแสดงให้เราเห็นอย่างเรามาบวชเนี่ยเขาให้นุ่งเสื้อขาวมันเหมือนกันเสื้อขาวก็นุ่งสองวันสามวันคืออยู่ในนี้มันไม่มีแฟชั่นน่ะมันก็จะง่ายขึ้นโอ้ไม่เห็นต้องแต่งตัวอะไรก็มีความสุขเนาะมันก็สุขสบายแล้วเราก็จํามาบวชอันนี้ไว้เออกินไม่ปรุงแต่งมีอะไรก็กินไปจบแล้วก็จบ ไม่กินมากก็อยู่ได้แต่งตัวก็ไม่แต่งมากก็อยู่ได้ก็เอาไปใช่จีวิตอันเนี้ยถึงเวลานอนก็นอนเลยไม่ต้องดูทีวีไม่ต้องอะไรก็หลับได้เออเอาไปใช้ดิวิถีชีวิตเนี่ยคือชีวิตที่มันไม่มีอะไรแต่มันก็มีความสุขได้เราน่าจะเอาไปใช้แต่เราก็ไม่เอาไปใช้เวลาออกไปล้วก็เหมือนเดิมชีวิตเหมือนเดิมสำัเลยทีเมาเหมือนเดิม มันก็แย่อัตมาก็เหมือนกันนะถ้าอยู่ในวัดเนี่ยคนไหนไปบวช ด, ด้วยไปปฏิบัติธรรมด้วยถ้าออกไปแล้วกินเหล้าเมายาสมัยเละเทะก่อนอยู่ในบวชในล่องตาจะบอกวนะ่าอยากเข้ามาเยี่ยมวัดฉะนั้นคนนั้นคนนี้มาที่กินเหล้าเมายาอะไรต่างที่พอรู้อัตมาจึงไม่ค่อยอยากคุยด้วยอัตมาไม่มีไม่มีทุเลหน้าที่แล้วอัตมาไม่มีความเพียรพยายามในอะไรที่จะคุยกับคนไร้สาระแบบนั้น จะให้คุยกับคนนั้นคนนี้ที่ไม่ค่อยมีสราราไม่อยากคุยมันไม่มีโทระอะไรเบื่อไหมแต่วเออคุณออกไปแล้วคุณดีขึ้นคุณพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นแล้วคนอยู่ในเส้นทางที่กาลังจะพัฒนาแล้วเดินทางมาเยี่ยมเราเนี่ยเราจะบอกวิธีให้เอาเพิ่มขึ้นได้ตอนนี้ฝึกมาถึงไหนเป็นยังไงฝึกสติคุณเอบอกเพิ่มมนัน เพื่อนสาธมิกก็เหมือนกันพระสงค์ของเจ้าก็คือเราที่เนี่ยนำบอกกล่าวไปนั้นญาโยมก็เหมือนกันแล้วก็แนะนำเรื่องแบบนั้นแต่ถ้าชีวิตที่มันเละเทะเลยมันไม่รู้อะไรจะคุยจะพูดด้วยแล้วพี่นํามซ้าโอ้ยคุยกันมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเสีเวลาเปล่ามันไม่ดีขึ้นเลยน้อเราจะมาอ้างว่าโอ้ยชีวิตทางโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ใช่คุณเข้าใจชีวิตคุณผิดไปอ่ะ คุณจะมีทางโลกทางธรรมอยู่อย่างเนี้ยิ่งแย่โลกธรรมมันไม่ได้เกี่ยวกันนะมันไม่มีโลกไม่มีธรรมนะเพราะชีวิตนันก็คือมันเกิดมาก็คือไม่อยากให้มันเป็นทุกข์นั่นแหละแต่ความไม่เป็นทุกข์เป็นแบบไหนแต่ถ้าความไม่เป็นทุกข์คือการเมาเหล่าติดบุหรีนะ่การงดหงิ ด, ดติดอารมณ์การโกรธการเกี่ยวอะไรแสดงลืงตึงตังงออกมาเนี่ย เละเทะกว่าเดิมชีวิตเนี่ยแสดงว่าโอ้ที่ฝึกมามันไร้ประโยชน์นะนั่นมันต้องมีภูมินะภูมิธรรมภูมิศีลภูมิธรรมภูมิความรู้อย่างทั้งโลกเนี่ยเอา้าเจอกันไม่นานจบชั้น น, น, นั้นนอมีการศึกษาเรียนรู้ไปนีแล้วนะเนี่ยภูมิโลกเขายังมีการพัฒนานี่ภูมิธรรมมันก็ต้องพัฒนาขึ้ น, นพัฒนาแบบไหน อย่างนี้แล้วหงดหงิยบน้อยลงปรุงแต่งน้อยลงการใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวันรู้สึกประหยัดขึ้นดีขึ้นสติมันอยู่ที่สตินั่นแหละมีมารยาท ด, ดีขึ้นกว่าเดิมรู้สึกมีความเรียบร้อยมันก็ดูดีดูน่ารักคําว่าน่ารักนี่คือมันเกิดจากการขัดเกลาตัวเขาเอ ง, แ ล, องแล้วมันส่งปัจกัยมาเราก็เลยมองมออก สิ่งที่เรามองเห็นน่ารักเพราะมันมีแวววาวตัวเขามันมีแวว